ไม่ใช่ว่าเป็นไหมยอมผู้ชายลงจากบ้านแล้แวงปุ๊บเลยไหมยอมผู้ชายแล้แวงไหมแม่แล้แวงเนาะไปศึกษาว่าทาไม่แล้แวงยอมบอกว่าไม่แล้แวงแล้วแก่แล้วแสดงว่าตอนไม่แก่แล้แวงย่งงคือคือประเด็นตรงนี้ก็คือว่าโทสะเนี่ยท่านกรณีต่อมาก็ท่านก็สั่งข่าทํา บอกว่าให้ทหารดาบตัดศีรษะมันตอนนั้นท่านจเจริญ น, นั่นแะเมตตาก็คือตัวเพื่อท่านกลัวเมตตากลัวศีลของท่านจะแตกทำาลายนั่นแหละท่านความพิจารณาเลยรักในพระมารดารักใน<ะ>ใช่ไหมวางเฉยด้วยจะทำไงจะไม่โกรธเนะี่ยจะไม่โกรธ จะไม่น้อยใจแม่ที่ไม่ช่วยชีวิตก็ดีไม่น้อยใจพ่อตนเองแล้วก็คนที่ถือดาบจะกรณีที่ขันติเนี่ยเนยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะเขาจะตัดโทสะได้ฉั้นคนที่มีขันติมากเนี่โทสะไม่ค่อยได้กินใจก็แต่ถ้าคนมีขันตีน้อยโทสะเกิดบดฉะนั้นตัวลักษณะขันตีสังวรก็เป็นไปบอกว่า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 เพราวัานไหนนั่งรถแล้วเกิดแอร์รถเสียเป็นไงขับยิ้มทั้งวันเลยปะโอยวันนี้ได้บำเพ็ญขันติสังวรคิดอย่างนี้ไหมต้องคิดให้ได้นะต่อไปอ่ะเห็นไหมต้องคิดให้ได้ฝึกแม้วันนี้ต้องได้วันนี้ได้เดินขันติสังวรโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่เห็นคุณของขันติสังวรเลยคืออย่างนี้นะคนเราพยาามป่วยหนักๆเนี่ย แอร์เย็นก็ร้อนร้อนมากแล้วกวนกระไว้มากฝึกไว้ต่อให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกยังไงเนียเปิดแอร์ขนาดไหนก็ร้อนเพราะร่างกายมันร้อนหมดแล้วไฟธาตุดินน้ำไฟลมมันแปรปวนมาเยอร้อนเหงื่อไหลเอาสิคนอื่นก็หนาวแต่ก็ไม่เป็นไงบูมีพระไปอยู่ด้วยช่วยพัดให้หน่อย ใช้พัดให้หน่อยแต่ก็ทำไมอากาศร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนอย่างที่ไหนได้ก็ถามว่าคุณอากาศหนาวภาคก็บอกอากาศหนาวจานอากาศหนาวนี่เริ่มดูเริ่มหันมาดูขันตีสังวรเออนี่เรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เตรียมไว้เจอแน่ศึกข้างหน้าเจอจะได้ไม่ไปกวลกวายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกวางแผนไหมวางแผนไว้เพื่อจะเดินในสังสารวัฏ พราะถ้าไปเกิดบางพบร้อนมากไหมร้อนมากเลยที่ในสังสารวัตนี่ที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่จะสุขสบายหรือคิดว่าเรารักษาศีลดีแต่ได้เกิดดีแล้วแม้ศีลดีที่ไหนใช่ไหมกระท่อนกระแท่นแบบนี้ยยังเดินศีนได้ไม่กี่สิบนาทีหลุดทีห้านาทีหลุดทีใช่ไหมบางทีหลุดรักษาได้สองนาทีหลุดแปดมียุ่งอะไรต่างเงี้ยนะให้เดินให้ได้ยาวๆ ถ้ามั่นใจกุศลศีลก็ไม่ต้องเตรียมโัวมากแต่ในนั้นก็คือขันติสังวรเป็นกุศลศีลไหมเป็นนะตัวขันติตัวอโทสนั่นแหละอดทนเพราะถ้าว่าย่อมอดทนนะย่อมยอมรับไว้ได้แก่อธิวาสนาขันติอธิวาสนาขันตินี่แปลว่าขันตรุนแรงเลยนะเหมือนขันติวาทีดาวด์อะที่เขที่พระเจ้ากรลาพูดตัดหูท่านนะ่ะตัดจมูกท่านตัดแขนท่านนะ่ะ แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงดาโบส ท, ท่านก็บอกอะดูก่อนมหาโบพิษอัจมานทนได้จเจริญพรเนี่ยในกรณีนี้ขันติสังวรเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกวับในเรื่องของวิริยะสังวรก็กล่าวได้แล้วอาชีวประดิสุทธิประการต่อมาคืออวีติกมะเออยานสังวรก็กล่าวไว้นะอวีติกมะก็คือความไม่กล้าร่วงที่เป็นศีล ได้แก่กุศลจีเดียวบาที่เป็นไปเช่นนั้นเป็นเหตุไม่กล้าร่วงกายกรรมวจีกรรมนะที่เป็นไปกับการทุตศีลเป็นต้นประการต่อไปก็คือพูดในเรื่องของศีระณะมาเลยลืมพูดเพลินไปเลยเนะนเวลาจะหมดในศีระในะท่านให้สองความหมายมาจากคําว่าศีระณะได้แก่การตั้งไว้ด้วยดีที่ว่าสมาทานนังนี่นะความที่กรรมทั้งหลายมีกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะที่ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยไม่กระจัดกระจายแล้วก็ ด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มีศีลลักษณะอย่างนี้ที่ท่านใช้คำว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่ตั้งไว้ด้วยดีด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าศีลศีลเป็นเครื่องอะไรศีลเป็นเครื่องตั้งไวด้ดีๆของกรรมทั้งหลายคือกายกรรมเป็นต้นศีลเป็นเครื่องศีลเป็นสภาวะใช่ศีลเป็นเหตุแห่งการตั้งไว้ด้วยดีของกายของวาจา กายที่ตั้งไว้ด้วยดีคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ปพ้พฤติ ผ, ผิดในการมวาจาที่ตั้งไว้ด้วยดีคือไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจอ้อศีลเนี่ยตัวเจตนาศีลเน่ยเป็นเครื่องตั้งไว้อย่างนั้นเป็นสภาวะที่ทําให้กายกรรมวจีกรรมตั้งเห็นไหมทาให้กายกรมยกรมตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีไม่เกลื่อนก ล, ลนไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยอํานาจความเป็นผู้ทุศีลถ้าลักษณ์นี้ก็เรียกว่าศีลนะด้วยสรรวาวะสมาทานนะเขาะ้าใจไหม คำว่าศีระนาถิทำกรรมทั้งหลายมีกายเป็นต้นให้ตั้งไว้ด้วยดีทีนี้เราก็ไปพิจารณาที่ว่าเจตนาตั้งไว้ด้วยดีถึงจะเป็นศีระนาตั้งในกุศลแจิตใช่ไหมเป็นกุศลจิตแล้วตัวกุศลแจิตนั้นก็ออกมาตรวจสอบกายตรวจสอบวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีตัวเจตสิกสีทัะหกตัวทั้งสัมมาวาจาส ม, มากรรมตาสมมาชีวะตัวความไม่โลภไม่โกรธและปัญญา ตัวนี้เป็นศีลละนะโดยฐานะที่ทํากายทําวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่ซ่านไปไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเข้าใจตรงนี้ไหมส่วนสังวรทั้งหลายมีปฏิโมกสังวรหรือศีละสังวรก็ดีสติสังวรขันติสังวรวิรยะวิญญาณสังวรเ น, นี่ยนะรวนแต่เป็นการที่จะทําให้กายกรรมวจีกรรมนั้นตั้งไวด้ดยดีลักษณะเนี้ยอวิติกรมมการไม่ก้าวล่วง ก็ไม่กล้าล่วงโดยฐานะที่จะทํากายนั้นให้ตั้งไวด้ด้วยดีทีนี้ตั้งไว้ได้ดีนั้นมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นศรนะอนมาเดินเร็วๆตรงนี้เลยนะคานเข้าไปทรงไว้มาจากคาว่าอุปัฏฐานังอุปาฏารนังก็แปลว่าความได้แก่รองรับ อ, อาถาวะอาธารพาวะเดิมอนาาเป็นที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นที่เคยกล่าวบอกว่าแม่ปรับพื้นที่อย่างดีแล้ว สามารถที่จะไปชมสติปัฐานลงได้ใช่ั้ยแปลว่าตัวกุศลสีเนี่แข็งแรงไหมแข็งแรงดูตรงไหนดูตรงที่ว่าสีระณะ น, นี่ชัดเจนกิจของสีระณะ น, นั้นกำจัดความทุศีนทางกายทางวาจาและใจไม่เป็นบาปได้ใช่ั้ยแล้วผลปรากฏของสีนคือกายสะอาดไหมสะอาดหรือไม่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหม ไม่ใช่ว่ากายเนี่ยไม่ใช่กายแต่ว่าใจายอย่างเดียวเนี่ยบางคนอุ้ยศีลก็ดูแลแค่กายกับว่าใจใจคิดบาปได้คิดผิดได้ถูกเพราะศีลเกิดที่ใจมาจัดแจงดูแลกายกรรมบัญกรรมนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารักษาศีลลวโลกก็ได้โกรธก็ได้เห็นผิดก็ได้เสียหายเลยโลกก็ตรงข้ามกับอโลภะก็ไม่มีเจตสิกศีลโกรธก็ตรงข้ามกับอโทศะก็ไม่มีเจตสิกศีลเห็นผิดก็ ตรงข้ามกับปัญญาไม่มีเจสิกสีนคือสัมมาทิฏฐิก็ใชงอย่างฉะนั้นตรงนี้เอามาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาศีระนะในความหมายนะในความหมายที่บอกว่าศีนศีนที่จะอันนี้ที่จะเดินนี่เดินศีนที่ไม่มีที่สุดแล้วนะศีนที่ไม่มีที่สุด ไม่มีลาบเป็นที่สุดและต่อไปเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะไม่มีลาบเป็นที่สุดไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีชีวิตเป <laughing> ็นท<ส>ี่สุดศีลไม่มีที่สุดถึงจะเป็นไปถึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใช่ไหมเป็นไปเพื่อการดับ <uy> uh> เพื่อการพ้นทุก์เพื่อบรรนิพัน์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 ศีลเหล่านั้นมีตันหาและมานะทิฏฐิเกี่ยวข้องไม่มีผลมากไม่เมียนุสงมากอันนั้นเราไม่เดินนะทีนี้ศีล น, นี่นะทาละปาณาทิบาตเป็นศีลไหมการงดเว้นเป็นศีลไหมเจตนาเป็นศีลไหมสังวรเป็นศีลไหมการไม่ก้าวล่วงเป็นศีล น, นะศีลเห็นแผนนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตนะๆๆนะเพื่อปารามุตเพื่อปีติเพื่อปัสสติเพื่อโสมนัส เพื่อเสพเพื่อเอื้อเฟือเพื่อความเจริญเพื่อทําให้มากเพื่อความดับเพื่อเป็นบริขารเป็นบริวารเพื่อความบริบูรณ์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวด้วยเนาะเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อปรินิพานนะบรรดาศีลเห็นปันนี้สังวรปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งการสํารวมเป็นอธิศีลไหมสังวรปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งการสังวร เป็นศีหรือไม่เป็นศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรที่กล่าวมาเมื่อกี้นะหรือเจตนาเจสิกเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นสังวรล้ปริสุทธิ์ที่นี่นะความบริสุทธิ์ในการสังวรหรือสำรวมก็แปลว่าปิดบาปไมห่หมุนเข้าสู่กระแสของจิตได้แล้วปิดราคะโทสะโมหะได้เมื่อราคะโทสะโมหะไม่ประชุมในใจตอนนั้นกายสะอาดไหม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 เป็นที่ประชุมของการไม่ก้าวล่วงเลยไหมเป็นที่ประชุมของเจตนาเจตสิกเป็นต้นฉะนั้นศีลเป็นที่ประชุมศีลเพราะแต่ว่าสั ง, สงวรและก็ไม่ก้าวล่วงด้วยใช่ไหมสังวรคือปิดบาปไม่ให้หมุนเข้าสู่กระแสจิตและไม่ก้าวล่วงปาณาติบาต <lifelong> <het S 2> <th S 1> ไหมก้าวล <sm all> ่วงหรือไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงการฆ่าคือปาณาติบาตไม่ก้าวสังวรหรือไม่ก้าวล่วง อาทินนาธานไม่ก้าวล่วงอะไรอีกกาเมสุมิฉาจาร์ไม่ก้าวล่วงมุสาวาตไม่ก้าวล่วงติสณาวาจาคือพูดส่อเสียดไม่ก้าวล่วงพลุสวาสคือพูดหยาบไม่ก้าวล่วงสัมผัพลาปะคือพูดเพ้อเจอ้อไม่ก้าวล่วงอภิชาคือความโลภไม่ก้าวล่วงพยาบาทคือความโกรธไม่ก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด อย่างนี้ชื่อว่าศีลเพราะอาาะัตว่าสังวรหรือยังสังวรแล้วไม่ก้าวล่วงหรือยังเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเห็นไหมอ่ะทีนี้ถ้าไม่ก้าวล่วงอกุศลกรรมบทสิอย่างนี้แล้วกายสะอาดหรือยังวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดหยุดแค่นั้นไหมไม่ใช่เลยตัวอกุศลศีลก็น้อมออกไปอีกไม่ก้าวล่วงกรรมมาฉันท่าด้วยเนคขมา้าเห็นไหม น้อมออกจากการยินดีเพือดเพลินในรูปเสียงกินรดเลยไม่ก้าวล่วงพยาบาทด้วยโดยเมตตาหรือด้วยอภิาบาตเป็นศีลไหมไหมตัวศีลมาประชุมกันแล้วไม่ก้าวล่วงเลยแล้วไม่ก้าล่วงอะไรอีกทีนมิท้าด้วยอโลกสัญญาโอ้ไม่เลยมานั่งฟังธรรมทั้งสองสชั่วโมงไม่มีความง่วงแสกไปว่ากุศลศีลทํางานนี้ยังเจตนาศีลเจศิศีลสังวรอวิติกะมะไม่ก้าวล่วงใช่ไหม ไม่ก้าล่วงทีน้มีทะด้วยอโลกสัญญาฟังไปรู้สึกไหมจิตใจกําหนดแสงสว่างในใจก็ได้น้อมถึงแสงสว่างภายในใจแต่เพะกุศลจิตสว่างไหมเป็นอิสระไหมบาปกุศลไม่แทรกในใจใช่ไหมไม่ก้าวล่วงอะไรอุททะจากกุกุจ่าด้วยด้วยอะไรด้วยความตั้งมัน่นใช่ไหมอุดทะจากกุกุจ่าคือความไม่ตั้งมั่นเนี่ย ไม่ก้าวล่วงอุทธจักรกุกุจะดด้วยความไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองแล้วไม่ก้าวล่วงวิจิกิจฉาด้วยกำหนดรรเอาวิจิกิจาเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนไหมจะเจริญศสีลดีไหมนะไม่เอาดีกว่า ส, สาสัยไหม สัดใส่กำหนดลงไปในศีลกำหนดลงไปในสมาธิปัญญากำหนดลงไปในทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีอย่างนี้ก็เรียกคนไม่มีวิจิกิจฉาในการประพฤติ ธ, ธรทำขอย่างเนี่ยไม่กล้าร่วงวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมแล้วก็ไม่กล้าร่วงอาวิชาด้วยญาณนะเป็นญาณะสังวรไหมเป็นญาณะสังวรเป็นตัวสมาธิถี่ด้วยเป็นเจตสิกศีลด้วยนะ แล้วก็เป็นเจตนาศีลเป็นต้นด้วยไม่ก้าวร่วงอารติด้วยด้วยความบันเทิงด้วยความลื่นเริงในธรรมนะธรมพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วอันนี้ชื่อว่าศีลไหมชื่อว่าศีลเลยเพราะอาถวามสังวรแล้วก็ไม่ก้าวร่วงกรมฉันทะด้วยเนกกรรมะพยาบาทด้วยเมตตาหรืออพยาบาทถีนามิท่าด้วยอโรกสัญญาอุทจักขุกูิจด้วยความไม่ฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมอวิชชาด้วยญาณอารติด้วยความปราโมท ต่อไปศีลต้องประชุมต่อไปไหมไม่ก้าวล่วงกามฉันท่พยาบาททีนมิท่าอุทะจักูกุจจาวิจิกิจฉาไม่ก้าวล่วงนิวรด้วยปฐมมาชานหนี่ศีลไปประชุมในปฐมมาชานแล้วอปนาสมาธิเกิดหรือยังเกิดไม่เกิดในนั้นมีเจตนาศีลไหมมีเจตสิกศีลไหม เ, เ ว, นว้นเวรเตียวไปนะ มีตัวความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาในนั้นใช่มมีสังวรครบเลยใช่มมีทั้งปาฏิโมกสังวรมีทั้งสติสังวรมีทั้งญาณนะสังวรมีทั้งวิริยะและขันติใช่ไหมในปฐมฌานนั้นแปลว่าไม่ก้าวล่วงแล้วออกจากกลุ่มนิวรธรรมได้แล้วแล้วก็ไม่ก้าวล่วงปฐมฌานด้วยทุดยฌานใช่ไหมไม่ก้าวล่วงวิตกวิจา์ไง เขไล่ไปตามลําดับเลยแต่เนี้ยแล้วก็ไม่ก้าวล่วงตาเทียชานด้วยปีตินีไม่ก้าล่วงปีติด้วยตาเทียชานไม่ก้าล่วงสุขทุกข์ด้วยจตุชานไม่ก้าล่วงรูปสัญญาปฏิคัสสัญญาหน้าตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติไม่ก้าล่วงอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติเห็นไหมดูสินเบบบชมในวิญญาแล้วไม่ก้าล่วงวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยอากิญญาญาตนะสมาบัติ ไม่ก้าล่วงอากินจัญญายตนาสมาบัติด้วยเนวะสัญญาณาสัญญายตนาสมาบัติสมาบัติแปดได้หรือยังได้แล้วอันนี้เราดูเส้นทางก่อนนะมันมีการเดินสองเส้นทางนะบางคนก็เดินแค่อุปจาระเขาก็เบนออกนะเดินวิปัสสนาต่อได้นะบางกลุ่มนี้เขาต้องการสมาบัติเขาเดินไปแต่เขาก็ต้องประชุมกุศลศีลไหมประชุมกุศลศีลเดินตามสายไปเลยแล้วก็ ถ้าเดินออกจากอุปจาระเป็นต้นอะนี้เขาก็เริ่มเดินเข้าสู่นิจานุปัสนาไม่ก้าวล่วงนิจจสัญญาคือความสําคัญหมายว่าเที่ยงอทุกวันเรายังจําว่าเที่ยงอยู่ไหมจําว่าเที่ยงใช่ไหมเราก็ยังเห็นว่าตาหูจมูกเล่นกายใจมันเที่ยงใช่ไม่ใช่เมื่อวานนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจเมื่อวานนี้กับตาหูจมูกเล่นกายใจวันนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันเลยจริงเหรอ จริงในคําสอนหรือว่าจริงเพรเห็นอ๋อจริงเพราะคำสอนเงแต่เงี้จริงว่าอ้าวตาหูมมาหจมูกเล่นกายใจตอนรับประทานอาหารกับตาหูมมาหจมูกเล่นกายใจตอนนี้เป็นยังไง <ed> ค, ค, ค, คนละตาคนละคนละจมูกคนละลิ้คน Rif, คนละกายละใจชักใกล้ออกมาแล้วใช่ไหมชักลำบากเลยตอนนี้ตาหูมมาหจมูกเล่นกายใจตอนที่เบรกสามโมงกับตาหูมมาหจมูกเล่นกายใจตอนห้าโมงอันเดียวกันไหม คนละอ่านจริงหรือ <g ül> อย่างนี่เห็นไมมันเริ่มเที่ยงเข้ามาเรื่อยแล้วนี่มันยังละไม่ได้นี่เข้าใจยังนี่ยังละไม่ได้ยังละนิจจะสัญญาด้วยอนิจจานิพพ า, านาไม่ได้ศีลเลยไม่ประชุมกับวิปัสสนาขยาใจยัยงศีลเลยไม่ประชุมวิปัสสนาต้องเดินให้เห็นให้ได้ต้องเดินให้ใ ห, ให้ให้เห็นให้ได้ว่าไม่ใช่แล้วหมดไปตั้งตอนนั้นแล้วเดี๋ยวก็บอกไอ้นี่คุณไม่ใช่ภรรยาผมแล้ว ภรรยาของผมคนนั้นคนที่แต่งงานตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมจึงไม่มีกาเมศสุวิชชาจารีกต่อไปได้ไหมเพราะภรรยาคนนั้นดับไปแล้วแล้วก็เป็นเหตุแห่งการประพฤติอย่างนี้ได้ไหมคนเราประเด็นนะระวังนะไปเข้าใจมือใช่ไหโอ้โหอย่างนี้เสียของเลยเงี้ยเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็จะไปคิดเสียเลยโอ้ตายแล้วคนนั้นอยู่กี่คนเนะี่ยเขาเอาไว้คิดตอนความโกรธเกิด แต่ไม่ใช่คิดเพื่อเพื่อจะเป็นเหตุแห่งการทาบาปไม่ใช่คิดเพื่อจะทุศีลเพราะโดยบัญญัติโดยหลักการนะ่ะทั้งชาตินั่นแหละที่ยังไม่ได้บอกเลิกลากันนะ่ยไปผิดเพี้ยนไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็บอกเราได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันเหมือนคนบ้านนอกเลยกินข้าวกับภรรยาไม่ได้เ็าบอกคน คนก่อนไม่ใช่กำนันแต่คนนี้เป็นกำนันเองต้องจัดกับข้าวแค่ต่างหากว่ยุ่งเลยแต่เนี่ยเอาละสิจะได้กินข้าวร่วมก็ไม่ได้ใช่ไหมเแร็เลยทํากิจการร่วมก็ไม่ได้พูดอย่างเดิมก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คนเดิมแนละ้วดันชาวบ้านไปเลือกเป็นกำนันภระระยาต่อถึงกลางคืนจะเข้าไปนอนในม้งกับภระระยาภระระยาบอกออกไปกำนันอย่ามานอนกับโรคบ้าน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 ทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจแหละแต่ถ้าก้าวล่วงนิจจสัญญาความสำคัญหมายว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาอันนี้เป็นศีลด้วยเป็นสมาธิปัญญาด้วยสิกขาสามเดินเนะถ้าก้าวล่วงสุ ข, ขสัญญาคุยความสำคัญว่าสุขด้วยทุกขานุปัสสนาอันนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาไหมศีลก็เกิดเห็นไหมศีลมาสูงหรือยัง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 มีศีลไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชิวะเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลเพียบเลยนะเอวิติกามะเต็มไปหมดเลยในะนั้นนะฮะนี่ศีลสมาธิมีไหมสัมมาวายมะส ม, มาสติสมาสมาธิมีไหมส ม, มาธิฏิสัมมาสังปป์มีไหมอาริมักประชุมสี่ขาสามไปประชุมในนี้กิจของเราท่านทั้งหลายต้องเริ่มจากพื้นฐานศีลเบื้องต้นเนี่ยเดินให้ต่อเนื่อง พัฒนาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไปจนสามารถไปประชุมในโลกุตระได้นี่ถ้าประชุมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันกิเลสพร้อมได้มิจฉาทิฏฐิขาดไม่ก้าล่วงและครั้งที่สองกิเลสอย่างหยาบไม่ก้าล่วงกิเลสย่างหยาบหยาบด้วยสกาธาคามีมักครั้งที่สามไม่ก้าล่วงกิเลสละเอียดด้วยอนาคามีมักประการสุดท้ายก็ชื่อวอ่าศีลพัฒนสังวรและไม่ก้าล่วงกิเลส ท, ทั้งปวงด้วย อาราตมักสรุปตรงนี้เลยทีนี้ทัศนาบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งทัศนาเดี๋วขออภยัยการสํารวมการสังวร น, นี่นะถามบอกว่าเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตัสรุปเพื่อปริญญาภานบรรดาศีลเหล่านั้นสังวรปริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์แห่งการสังวรการไม่ก้าร่วงเป็นต้นเป็นอธิศีลไหมเป็นอธิศีล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 ในความสังวรในความไม่พุ่งสารางและในทัศนะใ น, นในทัศนะคือความหมดจดเนี่ ย, ค ว, วว ย, ยความสังวรเป็นอธิศีลสิกขาด้วยไหมความสังวรเป็นอธิศีลสิกขาการไม่ก้าล่วงไปโนที่เป็นเนี่ยความไม่พุ่งสร้างเป็นอธิจิตตสิกขาคําว่าสังวรเป็นอธิศีลนะนะเป็นอธิศีลน่ะแปลว่าศีลแข็งแรงแล้วนะความไม่พุ่งสร้างเป็นอธิจิตตสิกขาความเหมียนแจ้งเป็น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 ตั้งสติมั่นเมื่อตั้งจิตมั่นก็รู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งนี่รู้อภินโยยะทำนะเมื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เขากำหนดรู้อะไรเนะี่ยรู้ทุกสัตว์เนี่นะนะเมื่อละทำที่ควรละละสมุทยัยสจ๊ะไหมละกิเลสตัณหาเมื่อเจริญทมที่ควรเจริญนี่เป็นมรรคเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำไม่แจ้งนี่ผ่านชื่อว่าศึกษาทุกอย่างหรือยัง